สกังเคยยสูตรว่าด้วยข้อกังขาของเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะ988สมัยหนึ่งท่านพระโลมะส ก, กังพิยะอยู่ที่นิโครทารามเขตกรุงกบิลพทัทแควนสักกะครั้งนั้นเจ้าสกยะทรงพระนามว่ามหานามะ เสด็จเข้าไปหาท่านพระโลมัสกังพิยะถึงที่อยู่ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรได้ตรัสถามท่านพระโลมัสกังพิยะดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเสขวิหารธรรมทมเป็นเครื่องอยู่ของพระเสขะกับตถาคตวิหารธรรมเป็นอย่างเดียวกันหรือ หรือว่าเสขวิหารธรรมเป็นอย่างหนึง่งตถาคตวิหารธรรมเป็นอีกอย่างหนึง่งท่านพระโลมาสกังพิยะถวายพระพรว่าขอถวายพระพร ม, ามหาบพิษเสขวิหารธรรมกับตถาคตวิหารธรรมไม่ใช่อย่างเดียวกันเสขวิหารธรรมเป็นอย่างหนึง่งตถาคตวิหารธรรมเป็นอีกอย่างหนึง่ง มหาบอพิตภิกษุลาวใดาเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุลาวนั้นชื่อว่าละนิวรห้าประการอยู่ละนิวรห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งละการมฉันทะนิวร อ, อยู่ 2. ละพยาบาทนิวร อ, อยู่ 3. ละถีนมิทธะนิวรณ์อยู่ 4. ละอุทจักกุกุ จ, จันิวรณ์อยู่ 5. ละวิจิกิจฉานิวรณ์อยู่ภิกษุเหล่าใดาเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าละนิวรณ์หประการนี้อยู่มหาบอพิธ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 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นภาราสนชื่ออิจฉานังคะระเขตกรุงอิจฉานังคะระณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ร, รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเกล้นอยู่คนเดียวสักสามเดือนใครๆอยากเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียว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 พรหมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่านั้นจเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะส่วนภิกษุเหล่าใด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 มีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายความจริงบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงธรรมนั้นใดว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงอนาปานสติว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้าง ขอถวายพระพรมหาบาพิตรขอพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้โดยปริยายที่ว่าเศขาวิหารธรรมเป็นอย่างหนึ่งตถาคตวิหารธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกังเขยสูตรที่สองจบ